สภาวะจิตในสมถกรรมฐานมีหนึ่งเดียวดังนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ใครจะขอแก้ความเข้าใจหรือทำความเข้าใจกับบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายก็สนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านสมถวิปัสสนากันอยู่มากแต่มีปัญหายุ่งยากอยู่มาก สำหรับในสมัยปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าคณาจารย์ผู้สอนพระกรรมฐานนั้นย่อมมีหลายแบบหลายอย่างบางทีฟังฟังดูมติของแต่ละอาจารย์ฟังดูแล้วก็คล้ายๆกับมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวดังนั้นจึงเป็นที่หนักใจสำหรับผู้ที่จะเริ่มปฏิบัติใหม่แต่ฟังฟังดูแลว้วบางท่านก็ว่า ของข้าพเจ้าเนี่ยดีวิเศษนักหนาของท่านเหล่านั้นใช้ไม่ได้เป็นต้นจึงทำให้ผู้ที่จะเริ่มปฏิบัตินั้นมีความชงน่สนเท่ในจิตในใจไม่ทราบว่าจะยึดอะไรเป็นหลักอันนี้อัตตมะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าบรรดาอารมณ์ของกรรมฐานที่จะมาเป็นคู่ของใจนั้นจะเอาอะไรก็ได้ ปัญหาสำคัญขอให้เราตั้งใจแน่วแน่และคอยสังเกต 2014. อารมณ์อันเป็นคู่ของใจนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาแล้วสามารถทำให้สภาพจิตของเราเปลี่ยนจากปกติธรรมดามีความโน้มเอียงไปข้างฝ่ายสงบและมีปิติมีสุขได้อารมณ์กรรมฐานอันนั้นเป็นอารมณ์ที่ใช้การได้ นี่ก็ทำความเข้าใจไว้ง่ายๆอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงว่าการทำกรรมฐานในขั้นสมถานี้อย่าว่าแต่ชาวพุทธจะมานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเลยแม้ชาวศาสนาอื่นซึ่งเขามีการทำสมาธิภาวนา <c oughs> เช่นศาสนาคริสต์ <c oughs> เขาอาจจะนึกถึงพระเป็นเจ้าของเขา และบริกรรมภาวนานึกถึงชื่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิก็ย่อมมีลักษณะที่อยู่ในกฎเกณฑ์แห่งวิตกวิจาร์ปีติสุขและเอกกัตคตาเช่นเดียวกันศา ส, สนาพราหมณ์เขาก็เคยภาวนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ ดังนั้นสภาวะจิตของนักปฏิบัติตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งถึงสนั้นย่อมมีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะว่าระแรกของการภาวนานั้นทุกท่านจะต้องนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของใจเช่นพุทโธเป็นต้นเรียกว่าวิตกเมื่อจิตกับพุทโธพร้อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถจะแยกจากกันไปได้จนจิตกับพุทโธ มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่วแน่แล้วก็มีอาการสงบลงไปโดยอัตโนมัติไปจนกระทั่งเกิดปีติและมีความสุขในเมื่อจิตมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายย่อมมุ่งหน้าต่อความสงบเริ่มต้นตั้งแต่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับลำดับไป ไมจึงไม่พูดถึงคณิกะสมาธิด้วยเพราะคณิกะสมาธินั้นสมาธิแม้ผู้ไม่เคยภาวนาก็มีได้ชั่วขณะหนึ่งจึงไม่กล่าวถึงสมาธิของนักภาวนานั้นจะมีได้ก็คืออุปจารสมาธิแล้วก็อปปนาสมาธิเป็นลำดับลำดับไป